พดําเนินรายการวัชรินพันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเมกคุณกําลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้องรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะสําหรับรายการเป็นเรื่องเป็นราวเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะแต่เล่ามาบ่อยละเล่ามาทงหลายรอบแล้วนะคะก็คือเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันวัชรินคาชาญเนี่ยจะหยิบเอาเรื่องราวจริที่เกิดขึ้นในบ้านเรามาเล่าสู่กันฟังรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมามาแชร์กันเนาะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เกิด กำลังใจเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะคิดสร้างสารรหรือดำรงชีวิตอย่างมีความหวังเนาะมาพบกันทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธทางคลื่น 89.5 เมกะเฮิร์นะคะอยากรู้อยากเล่าเรื่องอะไรอยากฝากเรื่องอะไรให้ดิฉันหามาเล่าฝากไว้ได้ทางเพจเล่าเป็นเรื่องนะคะสำหรับในช่วงแรกช่วงอยากรู้เนี่ยหยิบเรื่องดีๆเอามาฝากเกี่ยวกับรถ m ของการ ลดการใช้พลาสติกในบ้านเราซึ่งมันมีลดแบบออกมาแล้วละ่ะว่าอยากจะลดการใช้พลาสติกเจดเจ็ด mm. ชนิดนะคะ mm. ในปี2025มาดูรายละเอียดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประมาณมีขยะพลาสติกเนี่ยมีประมาณปีละมากกว่า2ล้านตันซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเกือบครึ่งเป็นขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลค่ะแล้วก็ถูกทิ้งมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกนะคะ น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นอันดับ6ของโลกจากจำนวนประเทศทั้งหมด193ประเทศทั่วโลกนะเป็นอันดับ6แซงอินเดียอินเดียเนี่ยมีประชากรอยู่1น0 0ล้านคนนะคะประมาณนะคะโดยประมาณอินเดียอยู่ที่อันดับที่12 ส่วนประเทศจีนแน่นอนนะคะประเทศจีนเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกก็เพราะว่าเขามีประชากรถึง 1,200 ล้านคนรองจากอินโดนีเซียรองจากฟิลิปปินส์รองจากเวียดนามรองจากสีลังกานะคะอาจจะเป็นด้วยระบบบริหารจัดการขยะของประเทศเหล่านี้เนี่ยยังยังไม่ดีเท่าเมืองไทยนะคะแต่น่าตกใจตรงที่ว่าประเทศไทยมีประชากรเพียง65ล้านคนแต่มีปริมาณการทิ้งขยะมากที่สุด ถึงอันดับ6กของโลกนะคะก็เลยเป็นผลให้รัฐบาลเนี่ยก็ออกมาตรการในการที่จะลดและก็ยกเลิกการใช้พลาสติกเพื่อที่จะลดปริมาณขยะภายในประเทศแต่ก็อาจจะส่งผลถึงราคาผลิตภัณฑ์ที่จะขายตามท้องตลาดเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งปรับปรับเปลี่ยนถุงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นามาใช้เนี่ยอาจจะเราอาจจะต้องบริโภคสินค้า ที่แพงขึ้นแต่ดิฉันเชื่อว่าประชาประชาชนคนไทยส่วนใหญ่รับได้ค่ะเพราะว่ามันหมายถึงต้นทุนการบริหารจัดการขยะที่ลดลงด้วยนะคะมาดูตัวเลขค่ะว่าขยะพลาสติกเนี่ย ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทั่วโลกปีละประมาณ8ล้านตันค่ะโดยประเทศไทยติดอยู่ที่อันดับ6อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลกนะคะเป็นอันดับ6ซึ่งทาง Ocean Conservancy องค์กรไม่แสวงหากำไรก็ได้ทำการศึกษาในเรื่องของการรักษาทรัพยากรทางทะเลมีการคาดการว่าขณะ น, นี้นะคะมีขยะพลาสติกเนี่ยไหลเวียนอยู่ในมหาสมุทรในทะเลและก็แหล่งน้าทั่วโลก มากถึง150ล้านตันค่ะสะสมต่อเนื่องจากปี1950ซึ่งมีปริมาณขยะดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ประสิทธิภาพรวมถึงอัตราการนำขยะไปรีไซเคิลที่ต่ำนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ส่งผลให้ขยะพลาสติกเหล่านี้ ไหลลงแหล่งน้ำออกสู่ทะเลแล้วก็มหาสมุทรในที่สุดนะคะซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจียในปี2015พบว่าประเทศไทยติดอันดับ6ที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดรองจากจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็สีลังกานะคะซึ่งขยะพลาสติกของไทยถูกพบมากที่สุดได้แก่ถุง ถุงพลาสติกนะคะ 13% หลอดพลาสติก 10% ฝาพลาสติก 8% แล้วก็ภาชนะบรรจุอาหาร 8% นะคะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าที่จะเลิกใช้พลาสติก7ชนิดภายในปี2025นี้ค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกก็ได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการลดและเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่า Single-use Plastic นะคะในจำนวนจ็ดชนิดมีเป้าหมายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2019นะคะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2025ก็คือยกเลิกในปี2019เนี่ยประกอบด้วยฝาน้ำดื่มที่ปกติจะจะผลิตจากพลาสติก PVC ฟิล์มนะคะต่อมาเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo นะคะหรือว่า oxo degradable นะคะซึ่งระบุไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยยังไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะส่วนใหญ่ก็มักจะผสมในพลาสติกประเภท hdpe แล้วก็ ldpe นะคะพลาสติกประเภทที่3ที่จะยกเลิกในปีนี้เลยก็คือไมโครบีดนะคะจาก พลาสติกก็คือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางยาสีฟันแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะคะโดยส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะยกเลิกในปี2022ก็มีอีก4ชนิดค่ะก็คือถุงพลาสติกหูหิว้วขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ความหนาน้อยกว่าสามสิบกไมครอนซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากพลาสติก LLDPE นะคะกล่องโฟมบรรจุอาหารนะคะที่จะยกเลิกในปี2022ย่อโดยในส่วนของการที่จะยกเลิกการผลิตในปี2025ก็คือแก้วพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วก็หลอดพลาสติกนะคะซึ่งทั้งกล่องโฟมแก้วแล้วก็หลอดพลาสติกเนี่ยบางส่วนส่วนใหญ่จะผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีนนะคะ ส่วนภาคเอกชนของเรานะคะให้การตอบรับเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวอย่างไรนะคะมีบางส่วนได้เริ่มยกเลิกการใช้พลาสติกแล้วอย่างเช่นในเครืออนันทรานะคะก็เริ่มยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2018ปีที่แล้วนะคะตามนโยบายลดขยะพลาสติกของโรงแรมนอกจากนี้ก็มี Starbucks นะคะก็ประกาศเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2018 ว่าจะเลิกใช้หลอดพลาสติกในทุกสาขาภายในปี2020นะคะมาดูด้านความต้องการพลาสติกประเภท LLDPE ของโลกนะคะพลาสติกประเภทนี้เนี่ยเล่าใ ห, ให้ฟังนิดนึงก็คือเป็นเอทิลีนที่มีความหนาแน่นเชิงเส้นนะคะมีความใสามากกว่ามีคุณภาพด้านต่างๆดีกว่า LDPE นะคะซึ่งมักจะใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ก็มีเทรนในการใช้พลาสติกที่เปลี่ยนไปจากการกำหนดเป้าหมายยกเลิกการใช้พลาสติกทั้ง7ชนิดที่เล่าให้ฟังนะคะก็พลาสติกชนิด LLDPE เนี่ยก็จะรับผลกระทบมากที่สุดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พลาสติกชนิดนี้เนี่ยจะเอาไปผลิตเป็นถุงพลาสติกเป็นฟิล์มสำหรับทำแรปอาหารนะคะบรรจุภัณฑ์มากกว่า 55% แล้วก็นาไปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดนะคะ แล้วเป็นพลาสติกชนิดที่พลาสติกชนิด LLDPE เนี่ยเป็นพลาสติกที่ยากในการนําไปกําจัดนะคะเพราะว่าพอเวลาเข้าสู่ระบบการกําจัดแล้วเนี่ยพลาสติกประเภทนี้เนี่ยเป็นพลาสติกประเภทฟิล์มที่มันมีความอ่อนตัวเป็นอุปสรรคในการกําจัดมันจะเข้าไปพันไปติดอยู่ในวงล้อหรือเกียร์ก็จะส่งผลให้เครื่องเครื่องจักรในการคัดแยกขวดแยกกระป๋องเนี่ย มีปัญหาแล้วก็ยากต่อการที่จะนำมาใช้ใหม่นำมารีไซเคิลก็ยากด้วยนะคะเนื่องจากว่านำไปใช้ครั้งแรกก็จะมีการพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็โลโก้บรรจุภัณุ์ลงไปมันก็จะทำให้ในเชิงเคมีเนี่ยนำมารีไซเคิลค่อนข้างยากนะคะซึ่งจากนโยบายการลดและก็ยกเลิกการใช้พลาสติกของไทย รวมถึงของต่างประเทศอย่างใน EU อในจีนในออสเตรเลียเนี่ยคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการของพลาสติกประเภทนี้มีแนวโน้มขยายตัวช้าลงจากที่เคยเติบโตปีละ 5% ระหว่างปี2010ถึง2017เนี่ยก็จะเหลือเพียง 1% ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าความต้องการน้อยลงกระบวนการผลิตเพื่อที่จะป้อนสู่ตลาดก็จะน้อยลงนะคะแต่พอมีความต้องการน้อยลงต้นทุนในการผลิต พลาสติกที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกันแต่สามารถย่อยสลายได้ก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการก็ต้องไปหาวัตถุดิบใหม่มาใช้ทดแทนพลาสติกเดิมที่ถูกยกเลิกไปโดยจําเป็นจะต้องใช้งานในพลาสติกชนิดใหม่เนี่ยเทียบเคียงกับวัสดุเดิมแต่ต้องเป็นมิตรด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นต้นทุนการผลิตหลอดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เนี่ยจะสูงกว่าต้นทุนจะสูงกว่าต้นทุนการผลิต หลอดพลาสติกแบบเดิมอีกหนึ่งเท่าตัวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบ ม, มาฝากในเรื่องของอต้นทุนการผลิตพลาสติกนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้าเป็นช่วงอยากเล่านะคะเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศที่หยิบ ม, มาฝากกันเป็นเรื่องอะไรพักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม rmut moving towards innovative university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 Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care? I can't love another when my heart's somewhere far away. The only.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 เป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงอยากเล่านะคะเป็นเรื่องที่หยิบมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องดีๆในต่างประเทศที่หยิบมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนของไต้หวันนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของการทาธุรกิจที่สนใจตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ว่าสิ่งแวดล้อมจะเกิดอะไรขึ้นผู้บริโภคจะจะได้รับอะไรยังไงหรือรวมถึงชุมชนนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างใดเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจบ้างเป็นแนวทางในเรื่องของการดูแลชุมชนด้วยนะคะเล่าเล่าให้ฟังสั้นๆแบบเข้าใจง่ายนะคะ มาดูกันที่ว่าไต้หวันเนี่ยเขามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไรเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยทั่วโลกก็กําลังให้ความสนใจอย่างเช่นในไต้หวันเนี่ยก็เป็นผู้นําในชาติเอเชียที่มีการปรับตัวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยไต้หวันเนี่ยได้ตั้งเป้าในการยุติการใช้พลังงานงงานิวเคลียร์ภายในปี2025นะคะแล้วก็จะผลักดัน ให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีก 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ยังมีนโยบายในการที่จะลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50% จากปี2005ภายในปี2050นะคะด้วยการประกาศใช้นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม5บวก2นะคะหรือว่า5บวก2 Industrial Innovation Plan ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องจกักรกลอัจฉริยะประเภทที่2ก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คือการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ระบบที่สามารถเชื่อมโยงหรือเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยการสั่งการควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นระบบอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทไลท์สมาร์ทซิตี้นะคะเป็นต้นนะคะอุตสาหกรรมที่3ก็คื อ, เ, อเรื่องที่สามนะคะก็คือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนหรือว่ากรีนเอเนอร์จีเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์นะคะเรื่องที่5ที่ ไต้หวันพยายามผลักดันให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คืออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศด้านที่6ก็คือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านที่7ก็คือรูปแบบธุรกิจเกษตรใหม่หรือว่า new agriculture รวมไปถึงนโยบายสีเขียวด้วยซึ่งมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้ามาพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีได้ผลแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ รัฐบาลไต้หวันเนี่ยได้ให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไม่จบลงแค่มือผู้บริโภคนะคะแต่ครอบคลุมไปถึงการรีไซเคิลหรือกําจัดให้ถูกวิธีรวมไปถึงกระบวนการผลิตที่นําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ไม่กระทบต่อระบบนิเวศนะคะตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะที่ไต้หวันทําประสบความสําเร็จจนถึงได้รับรางวัลแล้วก็คือตัวอย่างของอ Right, นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางในไต้หวันก็ได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมาใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยชื่อฝรั่งเขาชื่อว่าไซ c คร่า Economy นะคะเข้ามาช่วยบริหารจัดการจนได้รับรางวัลแล้วก็รับรองทั้งในประเทศแล้วก็ระดับโลกมากมายอย่างเช่น p a s ์2060 c a r หกสิบคาร์บอนน u วทรีโ t ร เซอร์ฟ i เคชันนะคะซึ่งได้รับความเป็นกลางในการได้รับการรับรองว่าเป็นกลางในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ระบบอาคารในการผลิตระบบการขนส่งระบบการผลิตระบบการจัดกิจกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์นะคะคือตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีความเป็นกลางในการ คือไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกนุกในทุกกระบวนการนี้เลยนะคะสำหรับสำนักงานใหญ่ของโอไรต์ตั้งอยู่ที่เมืองเถาหยวนค่ะตัวสำนักงานเองก็ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวหรือว่า EEWH Green Building Gold Certificate ซึ่งเป็น การรับรองระดับสูงสุดในหมู่อาคารสีเขียวขนาดเดียวกันนะคะจากการออกแบบแล้วก็การวางระบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยภายในอาคารภายในอาคารก็มีการติดตั้งแล้วก็กักเก็บ พลังงานหมุนเวียนนะคะอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมาใช้ในตัวอาคารทั้งในส่วนของการผลิตแล้วก็ในส่วนของออฟฟิศก็มีการนําระบบหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเข้ามาเพื่อจะลดการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารด้วยนะคะสำหรับสําหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับการรับรองแล้วกเ็เป็นตัวอย่างของการใชเ้เศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามา ปรับใช้ก็คือผลิตภัณฑ์แชมพูออร์แกนิกหรือว่า t r e อิ n ดิบัต t ท l นะคะซึ่งโอไรส์เนี่ยออกแบบด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการย่อยสลายของขวดบรรจุภัณฑ์แชมพูท of ออฟ ปัตท่อนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA นะคะทำมาจากมันสําปะหลังค่ะแล้วก็พืชชนิดต่างๆที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ยเปอเซภายในปีเดียวเองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ตัวแชมพูนะคะขวดผลิตภัณฑ์ก็สามารถย่อยสลายได้ด้วยยังตอบแทนธรรมชาติด้วยการนําแนวคิดการฝังเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองไว้ที่ก้นขวดเมื่อใช้แชมพูหมดก็ให้นําเมล็ดพันธุ์ พืชที่ก้นขวดเนี่ยไปปลูกในดินได้ด้วยนะคะพร้อมกับทำการฝังกลบขวดแชมพูเพื่อให้ย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ด้วยนี่เป็นแนวคิดใหม่แล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าจะนำมาปรับใช้ในตัวผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะค ะ, มะเมล็ดพันธุ์พืชที่บรรจุใต้ขวดนั้นก็คือ ไต้หวันนสอคาเซียนะคะซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระถินมีคุณลักษณะปลูกง่ายโตเร็วนะคะแล้วก็เป็นพืช พ, พันธุ์ชนิดหนึ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีนอก จ, กจากจะวางขายในประเทศไต้หวันแล้วเนี่ยโอไลค์ก็ยังส่งแชมพูขวดนี้ไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปแล้วก็ในอเมริกาหลายแห่งนะคะซึ่งได้เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์พืชเป็นมเมล็ดแอปเปิลแทนถ้าไปปลูกในยุโรปนะเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของอประเทศที่นําไปขายด้วย ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยค่ะในงานการจัดงานา2018 Cy c y c u ร e อีโ o โนมีใต้หวันในปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการจัดต่อเนื่องซึ่งจัดต่อเนื่องเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะนี่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จและความพยายามที่ภาคเอกชนได้นำเอาแนวคิดของการทำเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ เชื่อว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ในบ้านเรานําแนวคิดนี้มาใช้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากาผู้ใช้แน่นอนเพราะว่าแนวคิดในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์หรือการาไม่ลบกวนไม่เบียดเบียนธรรมชาติเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ มีมากขึ้นนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอบัตรพาสโม่พาสปอร์ตนะคะของญี่ปุ่นเขาเตรียมที่จะปล่อยลายการ์ตูนซานริโอนะคะขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เขาจะมีการจัดอโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีการเตรียมระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟสายต่างๆเพื่อรองรับการอา่เดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงนักกีฬาผู้ติดตามนักกีฬาที่จะมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นตลอดในช่วงของการจัดโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะโดยบัตรพาสมูเนี่ย ค, คุณผู้ฟังที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจะมีพาสในหลายรูปแบบในหลากรูปแบบเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในระยะสั้นแล้วก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยโดยพาสมพาเนี่ย ก็เตรียมเปิดตัวบัตรโดยสารอัจฉริยะนะคะซึ่งได้รับการออกแบบตามสไตล์ต้นฉบับของซานริโอแล้วก็นำเสนอตัวกระตูนอย่าง Hello Kitty นะคะออปอมปอมปุรินนะคะโดยสามารถใช้งานได้ทั้งหมด28วันเหมาะสำหรับนักเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้นนะคะโดยบัตรโดยบัตรรถไฟอัจฉริยะรุ่นนี้เนี่ย สามารถใช้งานได้2ี่สิวันนะคะโดยบัตรดังกล่าวเนี่ยมีคุณค่าเหมือนกับเป็นหนังสือเดินทางเล่มที่2เพราะว่าสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยใช้งานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคคันไซนะคะสำหรับผู้นักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่อยากจะเดินทางในภูมิภาคนี้ได้อย่างสบายใจนะคะโดยบัตร ชนิดนี้เนี่ยจะจ ำ, จำหน่ายอยู่ในสถานีสำคัญสำคัญในโตเกียวอย่างเช่นสกายไลเนอร์เคไซนะคะอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอลแล้วก็นาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอลรวมถึงค a ยคิวทัวร i ลิสอินฟอร์เมชันนะคะเซ็นเตอร์ฮาน t ดะแอร์พอร์ตอินเทอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลสเตชันแล้วก็ ชินชินากาวะนะคะโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยสามารถตอบตรวจสอบสถานะแล้วก็หาซื้อพาสปอร์ตพาสมูได้ง่ายดายนะคะโดยบัตรนี้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทางที่จะเดินทางเที่ยวในญี่ปุ่นแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษเช่น เข้าชมที่โน่นที่นี่ในอัตราส่วนลถซึ่งต้องไปศึกษาดูนะคะอันนี้เป็นข่าวเล็กๆที่หยิบมาฝากกันสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในช่วงในช่วงโอลิมปิกนะคะหมดเวลาของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คณชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ